เราจะกำความดีจะไม่ทอดถอนโกรกให้ปฏิบัต so ิห้าภูมิฐานราไม่ตื่นเชืเกิดไม่ได้เกิดไม่ทำให้มีภกมิเราจะเป็นธรรมเป็นยี่หู่ให้ปกครอวธรระเจ้าธรรมสงบธรรเวทสงบใจชาลิุขาชาช่งเกิดเป็นภูม สลาสุขาความแก่ก็ความเจ็บความเจ็บให้ี่ป่วยเป็นทุกข์ได้สิสุขาความให้ทีวทุกข์สายสิว่าควแก่เป็นทุกข์ควเจ็บให้ที่ปวดเป็นทุกข์วาแก่ตายทำายเป็นทุกข์ให้ทุกข์ที่พระพุทธเจ้ามาสมาอนลเรา การเสียภัยในการเกิดเกิดตายควรใจดูจิตดใจแต่กลับไม่เป็นตายเป็นเนมาใจ่กงายอยู่อาการยดีาบายไเห็นว่ามีทุกข์รูบายใต้องเป็นดีกับคนคนจะืน พ้นจะพบเกินพ้นจะพบเกลียพจะพบเกินพ้นจะพบตายพ้นจะรู้พ้นพ้จะเพียนณาความสุขพ้นพ้นจะปัญญาของมจำได้หมายรู้พ้นจะตั้งการควบคุมต้พงแจะควบคิดไมใจนิจใจพ้นจะเป็นวิญญาณความรักษาอาหมุ่นยิ่งใจใจจะมีลแต่ดวงใจรวงจิตดวงใจจะมีาะถ้ะท่านเช่อในนามดวงธรรม ให้สีานามาทุสิงให้สีไหน า, าวว่าดวงสติีวับรร ด, ดรงวิญญาอั น, นเดีย ว, าานะวที่นี่พัดเกิดถ้ามีคุกเกิดวิกลบกันโองแตกสิญญาณจะมีวันัลนะเพราะฉะนั้นเราพุรจะเจาะมัสต่อให้มีการเปี่ยที่นี่เวลาแต่ตาทำามขันไปทำไมทำสิ่ัจากอาธรรมะมาให้สวด จะไปเข้าใจว่าควรให้มึงตายมึงไปถูกเลยธรรมมาที่คืออุปสนอภิสราธรรมมาคามอุปสนวิสงนียอภิยะตาธรรมมาไม่เป็นบุิไม่เป็นบาสนี่เอาเอาตัรเอาพยา การที่ว่าคนเราทำผู้ชายเรามาผู้ชายเราเรามาเราต่างมาเก่ากัเมื่อสามปีก่อนสัตว์นี้เป็นอะไรกระต่ายกระตุ้นกระต่ายเมื่อกระต่ายกระต่ายเมื่อแหงาเมื่อแหงาทุกคนกาเมื่อเมื ทำมาหมาแล้วหรือว่าตนนี้ทุกคนเรื่องที่ทมออกมาไม้เท่าไรลบเลวที่สังคมยกมากเมืองเขยกให้ใจจะยุดในการยุดท่านทําดียุดท่านท่าสกลมทัวรม่มีเครื่องมือแล้วไม่มีเครื่องมือจะทาแด้ ไ่มีกายที่การการพกลัดหินจากใต้ใตร่างกายบุเกิดขึ้นรางกายุเกิดขึ้นงยาุเกิดขึ้นทางใจแลกลัินเอาบุญทางกายตะโกนยาพาทเอาบุญทางใจกระดิกที่เสรีกิะดิก มี ų, o, as, ans, ่แบบเราริบเป็นผู้โทรผู้โทรผู้โทรเราิบท่นวันได้บุญท่านวันเราริบท่านคืนได้บุญท่านคืนและเริบเป็นีได้บุญท่านปีคนไม่เข้าใจจะบุญเลยเข้าใจว่าจะแย่จะห้ายทำจะได้บุญเลยจะจะกินก็ของจริงจรแล้วมามาปฏิบัติก็จะเป็นบุญเหมือนกันถ้าผู้นี้มีมีปัญญาเขาโมเลยงากเหมือนกัน ไม่ทำก็เป็นี้ยไม่รักทรัพย์กเป็นบุแล้วไม่โกหกพรบุคคลอื่นจะรักัจากุให้เข้าเห็นเมื่อเราได้เป็นบุญแล้วต้องให้ค่ามาคุณดีนั่งขโมตู้ลงใจเข้าลงฐานสยบก็เป็นบุญเหมกันยิ่งนดิงบุญมากเลกพบุญมากเล็กถึงขโมยตู้หันใจป็บุญมาก เราจะเรียดูอาวยวากายของไดเป็นเหมือนกันแต่บุญไมการี่จะงแต่บุญบุตน่ากล้ว่าคนที่ทุาธรรมาสตาธรรมกาเธรรมสตาจะปัยการกุิางุองวิชามาเรจะรังเกีย จารสารเม้าารกาม้า่ากาเมารอนเนี่ยารรจอนเมื่อเกิดขึ้นให้การเกิดขึ้นกันการเปนรื่อารบริจาครือเกิดจิใจการม้ปรนผู้ชนทั้งบุญทั้งบาปอุละธรรมุตธรรมเาตามกัตเตมธรรมะกุศละจะต่ี จะทำนี้กรรมเยี่ยมประกานะวตถุนััตอุปนันโอเคทุกคนนั่นทุกฝ่ายจะไม่รอดไปหรือว่าทุกฝ่ายที่นี้กเกิดขึ้นนะอุปนันโอเคโซ่บรรดสหกัณฑ์รูปโซมหาบรรดาสกัณฑ์รูปารามันบารูปารมันบ้างรูปารมันบา อารมณ์กิ้ลูกคืออะไรยินดีในลูกยินดีในโลกมารมยารม์ยินดีใน ces, ลูกลูกลูกคนลูกลูกคนลูกจัดลูกสิ้ง Alzheimer ลูกหอมลูกเพชรินๆทิง้งบาสระพัตล claro. ูกเรียว่ารูวาลมานมาลูกมก็เป็นอารมณ์หรือว่าลูกกับเป็นลมเหมือนกันรูวารมันมาก็ไปขอเขียวมัอที่สามมั รูปาระมะนังวาชัตชาลมังวะปัตตะขี้เสียงเสียงอรมณกันเสียงดีเสียงดีใจดีใจจัดโชคฟังดยันยันเสีงธมผู้ี่รียนี่แหะนี่เรียกว่าอารมณ์ชัตชาไม่ชัตชาจับเป็นเสียงเป็นที่นั่ n บที่นี่เสียงอรีบต่ะทัมม่ ขุ่นอาคุตระท่ำกับผาสเอาภิญญาตาท่ำขับไปข้างห้าเหนือที่ทางอาภิญาตาท่ำตัดทาระบัารันทาระบนบาร์กันกินกินกินเห็นกะลกียกกินหอมใจจะุจะโกรเมื่อจิดกินทับพยา อยบพวกี้ดีพวกนี่ดีก็กินพวกอยากรวมรวมกินอยากกินไะจัเป็นปัญหาแบบพวกอยาก่มัอารมณ์นี่ับการทาราแมนมาอารมณ์เกิดขึ้นจามูกการทาราแมนมาละทาราแมารีดกับรถกับปินนโรคือเหมือนกัน ล่าซ่าเราบรรจงว่าลดลดผมลดฝันลดเรลดเมนะขาดลนกับที่ดีเพรใจเนี่ยเรที่ลดอาหารก็คือแบเป็นอารมบันที่าที่ดีเรามีเนี่ยไม่้ไปคไปคิดคิดล่าซาาว่าเหมือนกับเหมือนเริว จุดจ the right ีนจุดเช่นอะไรเชนงงจุดหัวเขาบอกว่าอันนี้จีนกจเข้ารมั้งยิ่งิ่งยิ่งจะตายเป็หัวหมโอ้ี่ได้ขึ้นอเลยหัวเขาแนีอยู่มันไม่พัเราแต่ละอะรละท่ามันนั่งรถเราจะเป็นกระโหลกถ้ามันทใเป็นทษกขามันามันทีใมันห บ่โคตรานนผมเห็นงน่มันมีเตจง้มันคิดยตียงริมันทุกอยู่บันามันาจคทุกข์่ดีวเป็นยัไมันเปนี้หลัามนังบ่าปวดสะพานปดะพานลวมานาท่านเรียาัวท่าสัมผัสมักะทก รับผักปวดสะพาร่างมันบ้ารับผูกกปกกายเจ็ยอดคนแข็งทิ่งขี้มันอ่อนมักทบกับรักกายอย่างนี้ดีพอดใหญ่ต่กั่งแต่กั่ิ้มเจโขนโวยหาวิ่งเต้นโขนโวยหาหามาโม่ไรเขาท่านเเวลาเอาไปขโมยเอาไปมีเงี้ยแค่ดีเอาไปทุบไีเอาที่ข้าไปแยงเอาดีบอก พักได้พ a l ได้ละ no, no a าณมาเก็บกินสักหน่อยตายอยู่มาณม a ม่านนะม่าน n ่านโมม่านโมกินใจม่านม่านดาม่านดาละละมา a มาม่านโมก็เอาลงเก็บกินให้คิดใจบ้างสุดจลศิษย์นิยมตะวันตกมาไว้จะเป็นคนจุดจลศิ โ็มนตังังาันตมาอุาร์แลมันมาสั้งาแลวมมาแกาแมันงวาลาแล้วมัับผมาแลวัมามา้วานนังมาถ้าม้าล้มล้มเกิดขึ้นนั่งคิดใจล้มดีไหนดีพรใจล้มร้ายเขาจะเป็นมบโวยที่พวกเียร์เพราเียร์ร์เเียรดเลยพกขึ้มาเขา บัเขาย่อเาเยบัมียกนี้เต้ทะนโคเชบัดเน่ยบอกปวดนกรับอารมมีการร่นอาร่นโคไปหาผู้สาวหูยเมืองนอกเมืองย่าก็ยินมเแค่แก้วแค่หนาเราไปแห้งหลายใจลายเป็นบอกแล้วไปโคไปหาผู้วาวบัดสุุ้ที่เมืองนอกเมืองย่าทียิ้มเชิดเพราะว่าไปแห้งหลายงานงานเนรับเงิม่ับเงิเ็นเงินเป็นบัต มันจะไวายสรปแล้วเนี่ยพระพุทธเจาบว่าตามก็เป็นไวหมูก็เป็นไวายเตู่ก็เป็นไวายหนีก็เป็นไวกายก็เป็นควายใจก็เป็นควายควายใส่ไว้ไฟลักขะองตัวหนักินดียรูปเสียงนี่สิ่งเได้เกิดทั้งไฟโทตาีิโกมข้าวข้มโพดไฟมหาสุโกมหลงเนี่ยบักมือจุดสีน่ะลุงกู๊บลงเฉียงลงสิ่นลงร้อนลุงเย็นท้ง เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันผูวคนพันดีใจให้ลูกผู้หญิงไมให้เกิดทีแก่ให้เกิดในตานโลกเขที่ยที่เซพอจะทะไรคนไ้พวกเขาทดึงด้ให้ถึงอทษมันนี่ถ้าไม่เดือยนายให้มันคลายเป็นกรมนทีดีมันมาใช้เบอร์นายใช้คเนี่ยดีจิด้วกัพนเท่านั้นพนก็จะรู้วันเดิมนี่แหละพ้นก็จะรู้พูดเดียวกันพจะเป็นพ้กรู้พูดจะกลับ ่รฟเป็นคนมุ่งเน้นให้มีรายไดคือเราจะให้โลกเกิดรุ่นโลกเิรุ่นนี้จะคืองทำโลกเกิดรื่งนี้จะต้องสิงห์นะเจ้าสิงห์กจะต้องโดนระไรเรียกนั่นคือเรียมาปฏิบัติปัญหาอยากอยากเป็นอะไรที่จะไม่มีอะไรเลนะของที่ที่เจอคือที่แกไม่ได้พูนอกจา้นี้จะท้องว่างทองว่างทองก่างเท่านั้น ลอกให้เกิดหลอกให้แกรลองให้เจ็ลอก ใ, ให้ตายเมื่อหลอกมานึงานแล้วจิตเป็มดวงเต็มดวงก้าย้อนหลังเป็นหนานแล้วในหลวง พ, วพวระพุทธเจ้าพุทธยา<ม>วันชี่ท่านเกิดจากลูกศงพระพุทธเจ้า<ม>เกิดงานของลูกขึ้นผูเพนมาถ่ยิญาณฤทธิกลงได้ มือต้านแสงาอานันต่าเป็นสตจรักาน่น้อยถึงมัจับใจพินข้างนอกนั้นเกิดบุตทุกตัวตัมักิมเมตตึปุญอาณันต่าแต่พวกเราไม่ต้องโผล่ใจจิตจังเดียวเราจะได้พักหาจไปไหนอีกความสุขที่เคยทิ้มาได้เรอวหมดแค่หมดแค่นี้นะหมด ยังเห็นตุกภคยในจิตใจนี่ยังยังยังยังไม่เคไผสมนิโรธนะทุกคนดับทุนิโรธก็นิโรธนิโรกันนี่ละข้าไม่เห็นทุก่ากเจดีย์มันก็จะนิโรธนันนี่เนี่ยเขาไปโรธเองงงง๊า พอะพุทธเจ้าองค์ไหนมาตัดนั่นจะไม่ยอมรับไหน บ, ยย อ, บอก<ม>พระพุทธเจ้าพรตัดทะลในโลกเปนามล้านห้าแสนแปมืนสีพันร้อยเก้าที่องพรพุทธเจ้าแล้วยังจะต่อไอีกหน้าผู้อพ่นท่านจไม่ ย, ยอมนนี่หูไหมมีเมือหูแอมเข้าพอหรือไมไ่รับทำเนื่น ตาไม่ไหม้มีเมือกระตาไม่ไถ่มือกระตาไม่ม <c oughs> ันเพราะอะไรกมันมันจะไม่ับนะมันกระโถข้อลใครแล้วหอกายทีชาตาไอกจะท้าวอะไชาติาจะพิชหล่ะอภิชาติจิแท้ก็หลหลักลโลูลูกลูลอปรียนจบมาปรียนอะไรละ่ะไปรียนสมมนไปเรียนส ม, มุน เรียนชมว่าเปลียมันอย่างเรียนมันทำไมเรียนมาสม่ว่าแรกแตว่าผูกคอต้นแดงผูว่าที่ไหนล่ะผูกูให้แก่ใจะแก่ให้แก่ไปตายผูกให้ในโลกมาผูกคห้ดีนี่ได้ฐานะฐาะต้วงบอกมเนี่ยถ้าปฏิกิริยามเม่อไหร่เราวัตถุวัตถุพ้องการการแท่กคือจิตใจที่รู้ควงสะกดแรงกัน นี the the mm ่เ hmm. ป <laughs> <A> ็นว uh ัตถุของกำม์กำม์เปว่าถุของนองกำม์เป็นวัตถุไฟลคขจีนาโดยขจีนาโมหินาอาริทันอาริตันชาติยาสลาวรเมนะโตเกหีปิเเมหีดกะหีดโอมันเตหีดโวจารเติอาริตันสีเวานีนะอาชีพรของนรองกาเป็นไฟหมูเป็นไฟเตีก็เป็นไฟเป็นไฟขาเป็นไฟทิไชีเป็นไฟ ที่นี่พระพุทธเจ้าวัะเทศแห่งชินทาพี่น้องผู้พี่นี่วัยวัน4รยน้องชายจองคนก็ไสามด้วยปฏิบันิธรมถวานทุนมาเิบวชเป็นฤๅษีปฏิบัติบวชเปนชาวภราสาวเรรักษาทิ ए, ้งแก่นปบัิรรมแต่พระเดชิกามามาคอยจิุบันเรื่องสมัธิเร้นทางเร่กงานจกใช้พวกเสียน่งแล้ว พไปไปภูเออไปภูชาไฟหรือว่าเพ่งเงินเยอะไปพระพุทธเจ้าว่าสอยเนี่ยนอกเขามาไปอยที่นี่เขามันเนี่ยที่คือน้องนองก็มาทำของอพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าได้จบลงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขั้งเดียวเลยพันสามองค์พันส ท่านท่านรับได้เปิดออนออางหม้อเปิดหม้อเปิดปากหม้อเมื่อเมื่อพระคุณจะเทนาำเข้ามันก็เป็นได้อันพวกเราอีกมันปิดฝาหม้อไว้ปิดฝาหม้อไว้ปิดปิดปิดปิดภาศนะไว้เทน้ำอะไรมัจะไม่เข้ามือจัก เีกียบผม ม, ม, ม, มมามไม่เหมือนกับว่ากวางๆี่พัฒนากว้างอยู่เท้านัามม้นไม่เข้าถ้ามันแคบนิดหน่อยมันก็จะไหลเข้าไปเท้านี้ไปนี่ทำมันทำมันไรเขามันก็มันก็จีเนื้อกีตัวเพราะไอท้ท่องทมันก็จะเกิดตัวท่านเบสตัวเี้งมามันหลงมาหลงอะไรอ่ะ ม, มาไม่หลงตนไปยึดความเ่อปรการว่ า, า, ต, า ต, ตัวมัจะไกลายเป็นลูกคน ยิ่งก้อนในระงกายมันมีอะไรบ้างมันมีธาตุดินธาตุน้ธาตุไฟธาตุโลหิตธาตกี้นี่ธาตุดินก็มีผมนเล็คฟันหลังเหยียกะดูกียร์ในะดูกตะปอดใน้อยใด้ใหญ่หันหันเข่าอย่คือธาตุดินกาตน้าก็มีน้ดีน้ำกลืน้ำมัน้ลอดน้เลือดน้ือน้นน้าลายน้ามูดน้ำเส้นมูดอือาเนี่ยออธาตุไฟไฟในการให้อุ่นไฟในกายชดภพไฟในกายสมบดกระไว้ไผอหันย้อย ถ้าลงลงมาขึ้นบงบน ล, ลงลงเบื้องล่างังในท่องลงในใต้จะพุ่นไปต่างตัวล้วไม่ได้เขาบอกนนผู้ศรัทธาผู้ประพุิคือจิดใจแบบเชื่อๆากๆไม่ลงนี่นี่ลันษีนี้น่าเคยลงมเมื่อเวลาเกิดป่วยหน้าเป็นวาย ดินเขาไม่รู้จะถูกจะทุกข์เาม่รู้จะเก็บจะปวดน้ำเขาไม่รู้จะเก็บจะปวดไฟเขาไม่รู้จะเก็บจะปวดลมเขไม่รู้จะเก็บจะปวดใครเขาเก็บเขาปวดนั่นใจเรียกปวดเพราะว่าอุปทานของเขาไปเยี่ยมเยียอะไรยึดว่ตถุพื้นดินวัตถุพื้นดอะไรว็ตถุพื้นดในนังหลัไปเยี่เอาดินยึดตัวเราเอาน้ำยึดตัวเราไฟยึดตัวเราลมยึดตัว มันกเลยิป็นกรใจายให้กระถุกระทุกถรู้พองน้องกินแล้วก็ไดสิ่งนรู้แล้วมันลบกันมันไม่เห็นกันเพราะฉะนั้นมาพูดกัว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็เราก็อธิบายนิมิตจะเ็นนามธรรมเวลา นั่งสมาธภาวนาเขาไปไหนทีละมันปวดขึ้นมาไหนถามที่นีล่ะถามดินที่ล่ะดินมัวดไหมงามมวดไหมลงมัวดไหมไฟมันบวดไหมดินมัุบไหมงามมันทุบไหมไฟมันทุบไหมลมุบไหมถามที่ล่ะเขาแก่เขตไหม ไม่มีทางที่ตัวเองเยมองออกเลยโคกูโคกแล้วว่าคกูโคูนันอยู่ตรงไหนมัได้หาตัวที่ละโคกูที่ตรงไหนมันมีไหมมันก็มีเลมันเป็นงานทำด้วยกันใที่นี้ที่มองเห็นด้วยตานิทนก็ดีไฟกับไฟกับไฟกับเป็นงานทำลงกับเป็นงานทำไม่จนไม่โต นี่เป็นตัวไม่ใช่สัตว์ีตัวไม่ใช่ทีวิชตัวเป็นของบ้าตอน่ยนมับมลงหกลงลงลงลงลงรกเนีมันมีตัวมีไหนราจะไปคอยใช้เาว่าอิเใรเจคอยคอยใครปฏิบัติเราเราใผู้จะเป็นผู้ินนจะเป็นผู้รู้เรานนจะเป็นผู้เห็นน่ ทีนี่ก็เราจะเป็นผู้เห็นชั่วเราจะเึผูเเเ้เห็นไม่ใช่เป็นเป็น่างหลับตาที่ทห่นเลยต้องพ้นต้อง พ, อ พ, อ พ, พ้นทุกที่ทุาั้ไม่ไมอที่นี้ถ้าจะเป<ม>็นลมหายใจจะเป็นลบอกว่าเม่มีอะไรโลกอะไรมีแตลมยอย่างเดียวแล้วการจะเป็นธรรมบุตรท่าจิตคนรู้ว่าเราเข้าลมบอกลมก็หลบเก็บเลว่าจิตมันมีสติ เรื่ามันจะเรื่จะตัมัยากวจะเขาไปทกาเมาเาหมือกันนู่นมือวบาเบาอยาทำอยาทอาทให้เมาเมาแล้วก็ทำจิตใจให้มันบาเมาอยทําทำจตให้หนักอยทตให้มันเบาเมาเมาเขาที่จะเมาได้ตำรวจอยูกันนั่น เมื่อเรามันมันหลอนลงหอนลงหลอนลงหลอนลงลอนน้อยเข้าน้อยเข้า้อยเข้ถ้าสิ่งมันผ่านลงผ่านผ่านรู้สึกว่าปลรูประกวดว่าลมไม่มีลมประกวดว่าลมหายใจไม่มีกระดับตัวดีแล้วิมันจะเข้าไปสงบก่อนถ้าต้านทานกับต้าใจ เสียตาที่จีตายตายตายขาดกับเวลาเราท่านสมาธิผ่านผ่านเมทนาเข้าไปอกันถ้าขาดเสถ้าขาดรู้ว่าตายเป็นยให้าเมตนาลาสยเสียลา ทำมาเขาประเดิมตลอดทำทีแต่เรื่องว่าอยากมีวันตลอดนี <clears throat> hvis, oh, goodness, ่แต่เกียรติรุ่นนั้นมันมัน้างบ้างความจริงควางใจนี่แหเหลือจดวงลูกะเดี๋ยวนี้มันมันไม่เป็นดวงลูกไมเป็นดวงลกอย่าเียมันล้มเกียวของ่ะไปยี่ตอกเช็คขอไปอคนนี้พอพูดได้ว่าลูกเป็นของหนัก เป็นพละที่บ่าพละฮาเร่บรรจักกันตาคันที่ห้าเป็นพละอันหนักคันห้าก็อลูกร่างกายสังก่าพิลลุงพิริวเทียกว่าลูกกระแขงเวทนาขังก่นความสุขความทุกขเจียรอดความแขงนี่เรียกว่าเวทนาแข่งสัญญาแข่งความจำได้หมายถูก ชักขารขนความปรุงความแก่ความคิดความนั่งใจใจใจว่าข้งโกโล่เหมือนจะชักขาตั้งใิวิญญาณแขนเนีวิญญาณคงกระสับตาหูรู้ที่นี่กายใจรู้ชะตารูจั้งหูรู้จั้งมูรู้จั้งนี้รู้จั้งกายรู้ทั้งคิใจเนี่ยเรียกว่าแขนห้าเนี่ว่าพรราฮาเรเป็นจัรงห้าแขนสักห้าเป็นพาราหนักพาราฮาโลจะพูดฮโรบุคุณในมาละแขนห้านี่ได้ไม่ได้ พราราหะว่าจากภูเขาบุคคลได้มายิดทงขันหันในภูเก็ิโลกภระาหะนั้นอยูเกีติภูก็ิโลกวารานิเชพดระทุคังนีจจิตว่าภารุภารันอัญญาพระราคะนาริยะัมูลังกัรถากับปุหานที่เจ้าโถปุถุนี้พุดถวผููใดมาละขันหาขันหันไมได้วางขันหาได้เหมือนกับภูนั่นขวัญตัณหาได้ช่างาะเห็นวัดกินวัดละ้ ลากแก้วอีกทีลากแกยวตั้หาเหมือนกูพี่ยังเหมืแต็ตงปูนเตียงเหมพยังเตียงมันแเตียงมานเป็นแ่ไหนเตีงมันแเกียงกับูแเขาพะล่างใต้เขาพะล่านแล้วไปทางนี้ไม่สี่ข้วใต้สี้วแล้วไปทางนี้ไปทงีปดินใต้ดินนุไก็ทปนด้านใ้้ามจะเป็นกูี่ยังเป็นอากาศบ้พอกียังเ็มเต็ง เราถามว่าถามที hmm. ่ใครบ้างคนที่ใคบ้างถามไม่รูมันก็เงียอยว่มันค็หงอกอย่จีเบียกไวให้สายเลยจีถามมาตสายเลยเบียขัเลยจะให้คนจะพ่อคูจะให้คนให้คนเองคนแค่ให้ประมาณนี้พวกนี้คูให้คนคูคนน่ะคนแค่แค่แรงคูแค่แค่แรง ความจร่งการปฏิบัติจะิกลรอมันก็ไได้ตาพาคิดใจม่ไคิดไม่ได้รอกมันที่ความเกิดขึ้นต้นเปนกระเกาแปมันงแต่เเปตเล็กแไปไปเป็นหนเป็นแคนกงแปรเปค่้อานแรขึ้นกตีนเจ็ดตีนปดนไเแปรเรยมันไม่ยบเ่ จริงเลยมันไม่เที่ยงจริงนั้นมันเป็นทุกจริงเลยมันเป็นทุกจริงนั้นมันไม่ใช่ตนบางวีสรุกเรื่องตัวผู้ตนจริงมันไม่มีอะไรเลยจริงๆทำไมไม่เข้าทำามไม่เอาถ้ามนจะเข้าไปมัอเพราะอะไรไม่ใช่หวงใครจะเป็นคห่วงใครจะเป็นคนยึดถือนะถามที่ละก็มัถามคนยังที่ลอเขาพูดเจียวรว่าอขาพเ แม่ครัวจันก็ไดวมาตัดมาสอให้เอาเขาพูดเขาสำประสงค์เป็นานนี่สี่ไม่ไม่เอาพูดทางกางานก็ตามนี่ทํางนกาานนีทั้งทังเรองมันก็ขาารดีไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรสิที่เรก็ทเรียนมันบังคับให้เอากินการงันก็ตามนี้นอนการงานก็ตามนี้เป็นะครับ สามีทระกสามีภรรยาเทระนักสามีลูกเทระนักสามีหลานเทระนักสามีอไอเป็นใญ่เลยเหรอทุกคนรถเทระนกษามีทุกอย่างทุกอ่บักรบขั้นระดับคนจะมาตรวจสอบทุกท่านเอารถเราไปชนะกินเรสู้จังนอนสติควรไม่ดีไปไหนเลยนี่เหรอที่นี่ นนนี่จ้เจ้าใขางีเยียนที่มัดมมัดเขางีบเยีนนั่่ปดแย่ัวเอาเอาหิ้มากๆเลยไม่สูงเชื่อเพลินใทเ่บเฮียนเดือจิ้มัดนอนหลับห้องแห่มัดเกี่ยเย็นไว้ควาเย็นปัดปดเี่ยวสิหงเมันหนึ่งรักกันไหมวะเนึ่งมีเงี้แซ่คมจะเจาะคนอา เริ่มหลังเด็กสะผลังลพวกเพื่นีว่าสารุษทีั่งพี่จะน่าทราบพูดพิสกันจะได้จะไพบเขาถึงพีถูกเล็บบดินบดินบดินน้อนเนี่ยทำงานบดินน้อนก็ยิ่งน่าเข้าไปเล้ามากับ้่อยคนไปคนมาจนผู้ใดพอจะมือสาและสาั่นแต่ย่างกุชชนก็จะนอมสมนึกร่องหายใจปกยิบวันจริงจรล่วงรุ่ยิ่งเกิดงานว่อลูกถึงไม่ยิ่งวัน คิดดูมาประมาณรูจัดสุจีเปรย์ผู้คนรับประทานอาหในโลกสคนวนี้ตายกับเรืงยตายไัเงตายับดีเซล่อายับดี่องตีกับกรุกเท่าตีกุใจดุและ้นเป็นแทที่ทุบกระถิงไม้สอีนเลียงพวกเอเลี่ยงเลี่ยงรับประทานเครืมายเศษอย่างนี้โลกเจ้าขนจนแหล่เอเลี่ยนคุณถ้าคิว่าคุณขาดหน้าจะโมเมทค่ะ <laughs> ไม่นะมาสมัยนึงเขาเข้าเชียงคันเราเลอันนี้เข้ายงหัวเขียวเอาเขียวห้างห้างมาขาาุกงานแ้ท่าเห็นใดำแลดำจากที่ะงานติดผมวันี่ดีเขาเขาก็เคย้งคนทอัมันบกปันกับใค 还还还还还想胖，嗯，还想胖，嗯，还还光是使过几斤，使过几块了，嗯，把把把把骨头扔，那钱就更多，多，你那那那那什么，放放放放骨头，嗯，光放骨头，光骨头干，骨头扔掉你了，扔掉，轻得快，哼，你啊，骨头呢，你你。 เนี yeah. ่ยสะสน้อนสะสงน้อนมากแต่แก่้มาเกิป่ะเกิดขึ้นมาเป็นมันน้อนมากต่ว่ามันมันน้อนนี่ได้พลังใหญ่นอนนอนเจ็ดที่ล่ะรับเสน่เลยู่ักษามารกีดยไม่ยน้อนมีเจ็ดเดือนเป็นปฏิบัติยันได้ตายเลยขก้นยันตายนําบา่งพุตายเลยเนี่ย มันจะให้มันหายตัวเสียยังมันตายแค่ไหนแล้วกันก้ตายหรือกนมงัวไายมันอยู่ขาหรือมันอยู่แขนหรือันอยู่ใส่หรืออยู่หัวมันอยูหัวอมันยืนอยู่ตายมันน้ำไหลหามไหลไหลจะได้ร่กันเอาจิตใจไปให้หนักมันจะหัวไม่ออกเพราะจะหนักหนาน้วมันก็อยู่ตรงไหนบังคับไปใครผูคนกัวท นี่ยฮะที่มาชุบไปทางนอกยังทางนอกก็ชุบไปกแห้งไปมือเสื่อม่าออกทางนอกไปเอาัฒนออมเขาเขาม่าค้างไปนี่หนังล่ออยู่เราละมานกินงนะเขามาค้างไปนี่หนังมืต้องออกไปจากนอกหนังแล้ววัฒน์คุ้มไว้ดีมั้ันัน์ิงปาสตีสตีนเป็นฟั เป็นเวลาของจิตชำระสัญญาเป็นม่นดาไม่ใช่รักษาลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเล็กน้อยเล็กน้อยพิจิตรใจเลยะมันโง่อาเส้วเส้แหงติดูปติหลังนี่คือพัวชำระสัญญาความ่ามนี่คือแหงประคับรองทำให้รูกมันจะติดแก้กล้ไป เดินสุเป็นเดินที่จะอคิดติวะต้องคว้นั่งนั่กับพกันเทยามันจะมีใสโมบิสันดีจะตังเนี่ยนะทำใมันหู้พราะฉะนั้นจะล้มกูบวกไปมาทำให้ปวดจนมากมากแบบแยกติดตีกับถิ่นว่างนั่งชาข้รนั่งกันนั่งชาข้อได้อกนึกว่ไปทุกข์นึกว่ไปไม่ก็ไปสบามันวุ่นแรงแข่งแรงแข่งแรงแข่งนี่มันมันจะไห้เลือก มันให่เศร้าม่ยันใหญมากเพราะว่าที่มันบ่ช่างว้าใหมันเดี๋ยอไม่ไปเห็มันเปนเด็กนั่นทรับไม่เห็นอาารยาเด็บอกอาจารย์ครับทุกคนมันมากว่าเันหน่อยว่าน้อยหองลูกดูทูตีนผู้ก็ฟ้อลักังเคยหลัอ ก็ท<ส> <c oughs> ิพย์มหว่สาปุนนนกบอกวกนนะี่้ก็อนเ่วาป่ผู้กาเลยก็มอเยกมหาันจะทำไหว้โม้โปมีทางเราะเทศปเทศพวกนี้เลยอาจารย์เขาถูกบอัน่านาจารนทางเอาเอาบกก็คือจที่นี่นี่ัน ไอ้ย <curves> ัว <hh> นี <referral sia> ่คือจะมองยองไม่อังัวันยองคือวัันอันอนนี่ที่ถอปที่รวัวัิานอ้ ก็บ่หักั้นน <ester> ่บมอพวกตัวนั่นอนี่บกการกับของนี่นอที่เาที่เาย่างมึปฏิบัติท่านไม่ดึงออกมาจากนอกนันบอาหา่อ มองตัวของมหาเจ้าของไมก็่าห้เจ้าของไม่่าหนตัวเจ้ากู้อาตุล้วนั่งสอบจะปทิขัติหน้าถ้าได้เกิดในฝุ่นจะไปเช่าบ้นปเลยหมเดินขบวนเยอะมัยจะไปเช่าบนเดินไปเจอปรากฏว่ามันขาเป็ยียดตีนกายกระดองคิดกรบอคนเชืเช่ามันอย่างนั้นเอาไม่ได้หรอกนะเดินไปขอใจว่าขอปฏิบัติพอเป็นที่มัน ก็ได้อยู่แต่มันมันมันทำไมไมันขาดมันหนักเาจะเรียกทรีบกเขาใจมันเล็กไปทุกเวลาองเรียนวิทยาคณิตทุกแค่ปุโห์เราพวกแต่พวกแการเป็นอริยธรราทันีอริยะรรมว่าธรรมปฏิเสัจจพลัของจริงจริงทุกจริงสมุทัยเห็นทุกเกิดจริงนี้โลกทความกับท like, ุก จะถาม่าเหตุทุกเกิดที่ไหนเหตุทุกเกิดคือจิตในหลงนี่แหลตัวาวทัยที่นี่กับก้อนเวรกกายหมดก้อน่านี้แต่ก้อนชมุทก้อนเหตุทุกเกิดผมจะไม่เหตุทุกเกิดคนจะไมเหตุทุกเกิดเล็ไมเหตุทุกเกิดก้อนไมเหตุทุกเกิด นำก็เป็นเหตนทเกิดอาการการ่กะกโคเป็นตัวสมุทัยทนนั่งเป็นเหตุที่เกิดเป็นั่นมันแหลที่บอกเนี่ยเมื่อจี่เาเห็นพวกนตัวตัวผลคือคือคือกผลของมันตัวสมุทัยคือร่างกายใจตัวคนขอมันคือถูกกับทุก เป็นผลเทุกเป็นผลทุกเป็นผลเมื่อมาทุกมากเมื่อเมื่อจิตมันถูกวาเข้าไปมันจะถูกมากเท่าตัวนะครับถ้าจิตถูกวาเข้าไปจิตเไม่เห็นจรงอ่ะานที่้นำมาให้้คอความดับทุกข์ดับเีกว่าดมายว่าจิตมันวาง จิตม ja er. ับางเหตุจิตมับางควรธรรมไทยผลมันพวกเกิขึ้นคือที่โลดทุกธุรมไทยนี่โลดสามอย่างมันเก็นขึ้นมุานเข้าไปแล้ทุกข์เพราะการที่มันมัดมัดอย่างานมุชานจะกามสทธิ์กามสันตก็โผ สมัมมาวาจาสัมมาสัมปโตสัมมาสีบุสมัสมสมาววสมัสม e สมาทิสสัมมาสมทธิสัมมาสัมพันธ์เรว่าชอบคนท่ชอบสัมมาสัมปโฟจำดีกจรูสากรไหนมีพคจะลดจ่ามดมีกรำดีกัารู้ทำใน่ที่ใครไได้ที่กรรมไม่ได้กรรมตัวนี้มันจะผุดมันมีจะโถ้ามันมีกรรมแล้วก็ไม่ได้เกิ แต่รู้ว่โลกนโลกการทั้งหมดแค่จัทั้งมดเห็นเียงว่าโลกกรรการเป่ว่าความร้อนที่เรียกนรียกการสิ้นโลกร้อนนีบอกแต่ทั้งเรื่อมันร้อนนี่มัแค้อดรอควรทานในพระเยริมมัมันจริงมอยู่ตรงไหนไม่ไม่เคยเรมจะไปดูนี่จะหายยาวมาแก้มความจริงเราคิดที่แก้ก็จะถูกบอกดูไหม ดินเขาไม่ได้รอดเนี่ยน้าเขาก็ไม่ได้รอดไฟเขาก็ไม่ได้รอดลมเขาก็ไม่ได้รอดดินเขาเขาไมาได้ยินดีไฟเขาไม่ได้ยินดีน้ำเขาไม่ได้ยินดีลมก็าไม่ได้ยินดีไรใครมีคนไม่ยิไรเอาเที่ยต้องลงคาไปดูที่หลักความจริงครับย่านตลาดนัดจริไม่ต้องไมายทำไมไม่ต้องไม่ตายเพราะมันยังมีเก็บได้ เามาเักั็ไมีคนมกรรมใอะไรเช่นจะชดช้ไม่ใช่ตายคนเียมันไม่ใตาตายหรอเล่ามันมพระเราเราจะาทจันเขแขกจะไม่ออนแอดังนั้นจะทำให้สูผู้ล่วงรู้จะทำให้ใจตั้งทาให้สุด่าสร้างเาอางา ถ้าเสือเอาเี้ยวมันถ้าปลาเอาเนียมของมันถ้าไม่ฆ่ามันไม่ได้หรัไม่ได้เรื่องเดียวมีเือมันลวข้าวทกินนอเากอากาพูน่าก็ผู้สิบูผู้คที่ึ้นมกนอู้กนั่งอยู่นี่ งอนผู้เศรเราพูไ้เหมืนไนไปหมอนเทลนไปสาีรบอจะบอกไปเทเาอตเทเนาโจนนั่นได้ไปพูหกคนกจเอาเก็บเอาจไปพอคนก็ไปไม่ไม่ไม่ไมไอไไปก วิิธีนั่งทำบัทิโพดาโกุโุลุท่านนั้แอ่างท่านท่านนั่ให้รัให้รับปุ่มรับนมไว้คอใช้ควบไว้ดูเยดบตาเย็บหัวไหม นั่งบุกมอาสนะกันเ่กันเป็นัย่ประทัดที่อันเดียว่นไ่กัเยอมันกีบยีันนอะเพรามันนอยนหมามั้นก็อที่อไม่พูดคุเขานะครับตามร่มก้อนปกเทปกเทบ่อยนะคุ เอาเอางถึงู่ที่เชางถ้มตามไปที่นี่นีก็มาหลุดคู้ที่มนคนคนคนคลเขาการคู่เขานี่ถึจะบวกที่พักเขาจะทำยังไงทุกคอเมื่อแล้วไปวัดโทการลไปเล่าเรื่ออาจารย์ให้ฟังอาจารย์ไม่าวที่เกิดน final g r